ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองประเภทด้วยกันคือความสุขกายกับความสุขใจความสุขกายเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมได้มีหมดได้ มีวันหมดได้เพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขย่อมมีวันสิ้นสุดย่อมมีวันตายเวลาร่างกายตายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราจึงทุ ก, กับ ความตายของร่างกายทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกกับความแก่ของร่างกายเพราะเราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้ในเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยและร่างกายตายไปความสุข ความสุขทางร่างกายจึงเป็นความสุขที่ประกอบด้วยความทุกข์ต่างๆไม่เหมือนกับความสุขทางใจที่ไม่มีวันตายไม่มีวันหมดเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่แก่ เป็นสิ่งที่ไม่เจ็บนี่คือความสุขสองแบบด้วยกันความสุขทางร่างกายและความสุขทางใจความสุขทางร่างกายก็ต้องอาศัยตาหูจมกูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่มาสัมผัส ทางร่างกายแต่รูปเสิยงกลิ่นรสผลตภัณที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนกันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลาอยากจะดูรูปถ้าได้ดูรูปที่อยากดูก็มีความสุข ถ้าไม่ได้ดูไม่มีรูปที่อยากจะดูก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกับเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆเป็นของที่ไม่แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปถะจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สุขบ้างไม่สุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปตามแต่การเปลี่ยนไปของรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและตามการเปลี่ยนไปของร่างกายคือของตาหูจมูกลิ้งกายเวลาตาไม่ดีก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาได้ เวลาหูไม่ดีก็จะไม่สามารถหาความสุขทางหูได้นี่คือเรื่องของความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเพราะจะต้องมีวันใดวันหนึ่ ง, วนนงเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะไม่สามารถหารูปสเสียงกลิ่นรสโผฏภะมาเสกได้หรือ ร่างกายคือตาหูจมูกมิ้นกายจะต้องมีความเป็นไปจะต้องเสื่อมไปเวลาตาหูจมูกมิ้นกายเสื่อมก็จะไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขได้นี่คือความสุขที่พุ่มห่อความทุกข์ไว้อยู่ เพราะมันไม่ได้เป็นสุขที่ถาวรมันเป็นสุขที่ขึ้นขึ้นลงล ง, ลงเวลาขึ้นก็สุขเวลาลงก็ทุกข์ไม่เหมือนกับความสุขทางใจที่จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเพราะถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจแล้วเราก็จะสามารถรักษาความสุข ทางใจให้อยู่ไปกับใจได้ตลอดเพราะสิ่งที่เราใช้การสร้างความสุขทางใจนี้คือใจคือสิ่งที่มีอยู่ในใจเราที่จะไม่เสื่อมไม่หมดไปเพราะใจไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนั่นเองนักปราดจึงแสวงหาความสุขทางใจกัน โดยการสละความสุขทางร่างกายไปเพราะการจะหาความสุขทางใจจําเป็นที่จะต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายเพราะไม่เช่นนั้นมันจะไม่สามารถหาความสุขทางใจได้เป็นเหมือนกับน้ําร้อนกับน้ําเย็นถ้าต้องการน้ําเย็นก็ต้องเทน้ําร้อนทิ้งไป ถ้าต้องการน้าร้อนก็ต้องเทน้าเย็นทิ้งไปถ้าเทไปรวมกันอยู่ในแก้วใบเดียวกันที่มีทั้งน้ําเย็นนั้มีน้าร้อนก็จะไม่ได้ทั้งน้ําร้อนหรือน้ําเย็นฉะนั้นไดความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจก็เป็นความสุขที่ปนกันไม่ได้ต้องเอา ทางใดทางหนึ่งถ้าต้องการความสุขทางใจก็ต้องสละความสุขทางร่างกายไปผู้ที่จะหาความสุขทางใจจึงต้องเจริญในคข ม, มะบารมีในคข ม, มะคือการสละความสุขทางร่างกายการจะสละความสุขทางร่างกายก็ต้อง ยุติการหาความสุขด้วยการถือศีลแปดศีลข้อ3ก็ให้ถือเป็นอ布拉เมจริยาเวรมณีคือละเว้นจากการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของเราหรือไม่ก็ตามจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอน เกิการเสพการอย่างสามีภรรยาเป็นความสุขทางร่างกายที่เราที่ผู้สวงหาความสุขทางใจจําเป็นที่จะต้องเลิกไม่กระทําเพราะถ้าไปหาความสุขทางร่างกายก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจนี่คือ การเลิกหาความสุขทางร่างกายในสีลข้อที่สแล้วในศีลข้อที่6กก็ให้เลิกหาความสุขจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆตามความอยากให้รับประทานเฉพาะเพื่อการรักษาดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุข ด้วยการไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตรับประทานเพื่อความสุขนี้เป็นโทษเพราะว่าจะทำให้ง่วงเหงาเหานอนจะทำให้ไม่อยากจะหาความสุขทางใจที่จะต้องใช้การเดินจงกรมนั่งสมาธิ เป็นการสร้างขึ้นมาถ้ารับประทานอาหารมากว่าหนังท้องก็จะตึงหนังทาก็จะหย่อนเวลาจะนั่งสมาธิก็จะสัะงกเวลาเดินจงกรมก็จะไม่อยากเดินอยากจะนอนโดยจาเป็นที่จะต้องละเว้นการหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อร่างกาย เพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้รับประทานได้แต่ไม่ให้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขรับประทานแบบรับประทานยาเวลาเรารับประทานยาเราไม่ได้ต้องการความสุขจากการรับประทานยาเรารับประทานยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายฉันใดเรารับประทานอาหารก็เพื่อรักษา โลกของความหิวของร่างกายรับประทานเพื่อดับความหิวแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขสอิ่มหําสําราญใจเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ไม่แน่นอนเพราะเวลาที่ไม่ได้รับประทานอาหารที่ถูกปากถูกใจก็จะไม่มีความสุขหรือเวลาที่ร่างกาย ไม่สบายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการรับประทานอาหารได้นี่คือเราต้องเลิกหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นก็ไม่ต้องรับประทานมากรับประทานครั้งสองครั้งก็พอคือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องรับประทานอาหาร ร่างกายจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนี่คือการเลิกหาความสุขทางร่างกายผ่านทางการรับประทานอาหารแล้วก็เลิกหาความสุขจากการจากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือการไปหาความสุขจากลหะรสบบันเทางต่าง ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ไปดูไปชมการแสดงอะไรต่างๆและการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามด้วยเสื้อผ้าอภรรตที่วิจจิพิสดาสร์แสมหน้าแสมตาเสมเท้าเสริมผมด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมต่างๆ การหาความสุขแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขทางร่างกายที่ผู้แสวงหาความสุขทางใจจะต้องเลิกเพราะไม่เช่นั้นจะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจนั่นเองผู้ที่หาความสุขทางใจนี้ต้องการหาที่สงบ หาที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสห่างไกลจากความสุขทางร่างกายเพราะถ้าอยู่ใกล้ความเคยชินความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายนี้จะมารบกวนใจจะมาหลอกมาล่อดึงใจให้กลับไปหาความสุขทางร่างกาย จ, จึงจำเป็นที่จะต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากความสุขทางร่างกายแล้วก็ต้องเลิกการหลับนอนบนผู้หน า, หนาเพื่อให้เกิดความสุขความสบายการหลับนอนของผู้ที่ต้องการหาความสุขทางใจนี้จะหลับนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน ร่างกายนี้ไม่ต้องนอนบนฟูกนะนะก็นอนหลับได้เพราะเวลาที่ร่างกายเหนื่อยต้องการพักผ่อนนี้นอนบนพื้นแข็งแข็งก็นอนหลับได้และจะนอนไม่นานเพราะว่าพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย เหมือนกับนอนบนฟูกนะฮะผู้ที่ไม่ต้องการที่จะเสียเวลากับการหลับนอนกับการหาความสุขจากการหลับนอนจึงต้องนอนบนไม้แข็งๆบนพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากเกินไปนี่คือมาตรการของศีลแปดมีไว้เพื่อที่ ให้ผู้ที่แสวงหาความสุขทางใจได้ยุติการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจถ้าไม่ถือศีลแปดนี้จะไม่มีเวลาเพราะจะเอาเวลาไปหาความสุขจากการหลับนอนกับผู้อื่นจากการรับประทานอาหารหลายรอบหลายมือ้อ จากการไปหาความสุขจากมหโหลศบันเทิงจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของร่างกายและจากการนอนมากเกินไปอันนี้ผู้ที่แสวงหาความสุขทางใจจำเป็นที่จะต้องเลิกเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจ เวลาที่เราใช้สร้างความสุขทางใจนี้เราต้องมีเวลามีสถานที่สถานที่ที่ห่างไกลจากความสุขต่างๆของทางร่างกายเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาวัดที่ไม่มีเครื่องอานวยความสุขทางร่างกาย มีแต่เครื่องเอานวยความสุขทางใจคือความสงบความวิเวกการที่เราจะหาความสุขทางใจนี้เราจาเป็นจะต้องมีสถานที่ที่สงบเพราะเราต้องการสร้างความสงบให้กับใจเพราะความสงบให้กับใจนี้จะให้ความสุขและให้ความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากทางร่างกายนี่คือเรื่องของการสร้างความสุขทางใจผู้ต้องการความสุขทางใจนี้จะต้องถือศีลแปเรียกว่าเนคขมะศีลเนคขมะเลอกการหาความสุขทางร่างกายคำว่าเนคขมะนี่แปลว่าการออกจากการหาความสุข ทางตาหูจะบูกร่นกายเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ต้องไปอยู่ที่ที่มีความสงบไม่มีเรื่องของทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจถ้าไ็นได้ยินเสียง เลือได้ดมกลิ่นอาหารหรือเครื่องดื่มหรือขนมก็จะทำให้เกิดอารมณ์อยากขึ้นมาอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรดจึงอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรดไม่ได้ถ้าอยากจะหาความสงบหาความสุขทางใจต้องไปหาที่านที่ทห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรดต่างๆ เช่นวัดป่าวัดเขานีที่ไปตั้งอยู่ในป่าในเขาก็เพื่อหนีจากอูปเสียงกิดรถหนีจากเรื่องราวต่างๆที่จะมาคอฉุด拉ใจให้กลับไปหาความสุขเหล่านั้นผู้ที่ต้องการหาความสุขทางใจต้องสลัดความสุขทางร่างกายทิ้งไป ต้องไปหาที่ที่ไม่มีความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจความสุขทางใจนี้เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมใจบังคับใจให้หยุดนิ่งไม่ปล่อยให้ใจคิดไป กับเรื่องราวต่างๆความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบน้าการหยุดความคิดนี่แหละที่จะทำให้ใจสงบและสิ่งที่จะทำให้ใจสงบได้ก็คือสติดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขทางใจจึงต้องเจริญสติให้มากๆไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่ มานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบเพราะจะไม่มีสติมากพอที่จะหยุดความคิดที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้จึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสติตอนที่จะมานั่งสมาธิไม่เช่นนั้นนั่งสมาธิก็จะไม่ได้ผลถ้าอยากจะนั่งสมาธิแล้วได้ผล ก็ต้องหมั่นเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่เตินขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยให้มีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปื่ออย่าปล่อยให้คิดไปนาะไปทางรูปเสียงกลิ่นรสปทถุพเพราะจะทำให้เกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมา แล้วก็จะทำให้รู้สึกทุกข์ทรมานใจจนไม่สามารถทนอยู่ในป่าในเขาได้จะต้องกลับไปอยู่ในบ้านในเมืองเพื่อที่จะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรถแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิดความอยากต่างๆก็จะไม่เกิด แล้วก็ความสงบความเย็นความสบายใจก็จะเกิดขึ้นมาแทนดังนั้นการเจริญสตินี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดสําหรับการสร้างความสุขทางใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสตินี้มีความสําคัญที่มากที่สุดในบรรดาเครื่องไม้เครื่องมือ ที่จะใช้ในการสร้างความสุขทางใจถ้าไม่มีสติแล้วนี่จะไม่สามารถหยุดใจได้ทำใจให้สงบได้ถ้าใจไม่หยุดใจไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขใจก็จะถูกกิเลสตัณหามาคอยบครบกวนใจมาคอยหลอกล่อให้ไปหาความสุขทางร่างกาย ผู้ที่ไม่มีสติจึงมักจะไม่สามารถหาความสุขทางใจได้มาอยู่วัดได้สองสามวันก็ยกทงขาวข อ, อกลับบ้านดีกว่ากลับไปหาอีหนูกลับไปหาพ่อหนูกลับไปหาขนมนมเนยกลับไปหาละครไปหาอะไรต่างๆทางตาหูจะหมกเป็นกายก็เพราะว่าไม่มีกําลังที่จะดึงใจ ให้เข้าข้างในถูกตัหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ด, ดึงออกมาดึงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่จะหาความสุขทางใจจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความแน่วแน่ต่อการแสวงหาความสุขทางใจ ถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากเพียงไรก็จะไม่ย่อท้อจะไม่ยอมถอยจะพยายามไปเรื่อยๆพยายามสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะสามารถสร้างสติขึ้นมาได้พอมีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆได้ เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือความสงบที่ตั้งอยู่ได้นานถ้าเป็นความสงบที่ตั้งอยู่ได้เดียวเดียวก็เรียกว่าคนิกะสมาธิสมาธินี้มีสองสองอย่างสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิ สมาธิที่เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรต่างๆให้มารับรู้นี่เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิกับคณนิกาสมาธิคณนิกาสมาธินี้สงบเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วก็ถอนออกมาส่วนอัปปนาสมาธินี้จะสงบนั่ตั้งอยู่ได้นานขณะที่ตั้งอยู่ก็มีแต่ความว่าง มีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายใจมีอุเบกขามีแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้นี่คือสมาธิที่เป็นสมาธิที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มีสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นสมาธิที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสุขทางใจนั่นก็เรียกว่าอุปาจารสมาธิ คือสมาธิที่สงบแล้วไม่ตั้งอยู่ในความสงบไม่ตั้งอยู่ในความว่างแต่ออกไปรับรู้นิมิตต่างๆรับรู้รูปเสียงต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ถ้ามีสมาธิแบบนี้ไม่ควรที่จะตามไปควรจะดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ความว่าง ใช้สติดึงกลับมาถ้ามีสติก็จะสามารถดึงใจให้กลับมาสู่ความว่างสู่ความสงบสู่ความนิ่งสู่ความอุเบกขาได้เราต้องการความสุขแบบนี้เพราะความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไป ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการไปรับรู้อะไรต่างๆเพราะสิ่งที่เรารับรู้นี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาถ้าเราไปยึดติดกับความสุขที่ได้จากการเห็นนิมิตต่างๆพอเวลาที่ไม่ได้เห็นมิมิตก็จะไม่มีความสุขดังนั้นผู้ที่บาเพ็ญ สมาธิเวลานั่งสมาธินี้ต้องระมัดระวังอย่าไปติดอยู่กับสมาธิที่มีเหตุการณ์มีนิมิตอะไรต่างๆให้มารับรู้อย่าไปสนใจนิมิตต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นธรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้ใจนี้มีความสุขอย่างถาวรสิ่งที่จะมีความสุขทําให้จิตมีความสุขถาวรนี้ ต้องเป็นความว่างจิตต้องว่างต้องสงบไม่คิดไม่มีอะไรให้รับรู้นี่เป็นการสร้างความสุขในเบื้องต้นที่ได้จากการนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วใจก็จะมีความสุขจ ะ, จะมีอุเบกขาเรามาอุเบกขาก็เปิดใจเป็นกลางใจไม่มีรักชังกลัวหลงไม่มีอาคาิ ถ้าเปรียบเหมือนน้าก็เป็นน้าจืดสะอาดไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีอันนี้จะทำให้ใจเย็นใจนิ่งเวลาไปสัมผัสรับรู้กับอายะตนะคือรูปเสียงกลิ่นรสก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายไม่เดือดร้อนไปกับการรับรู้ ถ้าเป็นสมาธิที่เรียกว่าอุปจาระเวลาออกจากสมาธินั้นจิตจะไม่เป็นกลางจะเต็มไปด้วยความรักชังกลัวหลงพอไปสัมผัสรับรู้กับอะไรทางอายธตนะก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาดีใจบ้างเสียใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสลับสลับกันไปสุดแท้แต่ อายะตนะที่ไปสัมผัสว่าเป็นอายะตนะแบบไหนอันนี้ไม่เป็นประโยชน์สมาธิที่มีนิมิตต่างๆมีเห็นอะไรต่างๆเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพูดผีปีาศาจสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นคนเป็นประโยชน์ก็เป็นเหมือนกับการเที่ยวภายในนั่นเองเหมือนกับเราเอาร่างกายไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆ แต่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเราใช้อุปจาระสมาธิไปเที่ยวแทนก็เป็นเหมือนกับการเสพอารมณ์ต่างๆอันนี้จะทำให้จิตไม่สงบไม่มีความสุขอย่างแท้จริงจึงไม่ควรที่จะไปยินตีดีใจกับสมาธิแบบนี้บางท่านไม่เคยได้ศึกษาหรือไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้จริงก็มักจะถูกลงถูกหลอกว่า การนั่งเห็นอะไรต่างๆนี่เป็นผลดีเป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษแต่ความจริงแล้วมันไม่วิเศษมันไม่เลิศเพราะมันไม่สามารถทาให้ใจมีความสุขมีความสงบได้อย่างต่อเนื่องเราจึงต้องเข้าไปในอัปปนาสมาธิคือจิตที่ว่างที่ไม่คิดไม่กลุงแต่งที่สักแต่ว่ารู้ และขณะที่อยู่ในสมาธินั้นก็ไม่ควรที่จะทำอะไรควรจะใช้สติประครับประคองความว่างความสงบนั้นให้อยู่ไปนานๆจนกว่าจะออกมาเองพอจิตถอนออกมาแล้วขั้นต่อไปถ้าเราต้องการที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัด สิ่งที่จะมาทําลายความสงบสิ่งที่จะมาทําลายความสุขที่ได้จากความสงบสิ่งที่จะมาทําลายความสุขความสงบนี้ก็คือความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกิรนสนี้เองความอยากได้ลาบยศสารสญสุขความอยากไม่ให้ลาบราบยศสารเสริญสุขเสื่อมไป <c oughs> เรา ต้องกาจัดความอยากเหล่านี้อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเวลาอยากดูอยากฟังก็อย่าไปทำตามใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะจะเป็นความสุขแบบยาเสพติดนั่นเองเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ให้ใช้ปัญญาสอนว่าเป็นความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวไม่ถาวรพอเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ให้พิจารณางี้แล้วก็จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้เช่นพอออกจากสมาธิมาก็เกิดความอยากจะดื่มเครื่องดื่มที่โปรดปราน ก็ต้องสอนว่าต่อไปนี้เราจะไม่หาความสุขจากการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เราต้องการหาความสุขจากการสงบความสงบเราต้องรักษาความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิด้วยการไม่ไปทำตามความอยากถ้าเราฝืนความอยากได้เราก็จะสามารถรักษาความสงบของใจรักษาความสุขของใจได้ ถ้าเราฝืนไม่ได้ปล่อยให้ไปทำตามความอยากความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปแล้วก็จะได้ความสุขที่ได้จากการดื่มเครื่องดื่มที่โปรดปรานอาจจะเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวพอไม่นานก็จะเกิดความอยากอันใหม่ขึ้นมาอยากดื่มแล้วก็อยากจะดูอยากดูแล้วก็อยากจะฟังอยากฟังแล้วก็อยากจะไปเล่นอยากจะไปเที่ยว มันก็จะมีความอยากตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาใดที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกใจขึ้นมาแสดงว่าเราถูกความหลงหลอกให้เรากลับไปหาความสุขทางร่างกายดังนั้นเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขทางร่างกายเราก็ต้องใช้ปัญญา เตือนใจว่ากําลังเดินไปหาความทุกข์เพราะความสุขทางร่างกายนี้มันไม่เนืไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมมันดับได้เพราะร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วสิ่งที่เราหามันก็ไม่แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้เวลาเสียสิ่งที่เราใจให้ทาความสุขให้กับเรา เราก็จะเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ใจกลับไปหาความสุขทางร่างกายไม่ให้ไปทําตามความอยากต่างๆไม่ให้กลับไปหาลาบยศสารเสริญสุขไม่ให้กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าเป็นการไปหาความทุกข์เราก็จะหยุดเราก็จะอยู่กับความสงบได้ แล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะถูกทําลายไปด้วยปัญญาพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะมีความสงบมีความสุขไปตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาไหนที่ใจจะมีความทุกข์ไม่มีเวลาไหนที่ความสุขทางใจจะเสื่อมจะหายไปได้เลยนี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายท่านได้หากันและได้มาครอบครองเป็นสมบัติที่ถาวรโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องของร่างกายเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขแบบนี้ใช้สติเพื่อทำใจให้สงบให้เกิดอุเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดตัวที่จะมาทำลายความสงบความสุข ความเป็นอุเบกขาของใจคือตันหาความอยากต่างๆพอสามารถทําลายตันหาความอยากต่างๆหมดไปแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะมาทําลายความสงบเหมือนน้าที่นิ่งถ้าไม่มีใครไปตักไม่มีใครไปแตะน้ําน้ําก็จะนิ่งไปตลอดแต่ถ้ามีคนไปตักน้ํามีคนไปกระโดดน้ําไปอาบน้ําไปใช้น้ํา น้ำมันก็จะไม่นิง่งน้ำมันก็จะกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการให้น้ำนิ่งเราก็ต้องสร้างรั้วขึ้นมาสร้างกาแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปตักน้ำไปอาบน้ำไปเล่นน้ำกันฉะนั้นใดถ้าเราต้องการใจที่เราได้ที่เราได้ทำให้สงบจากการนั่งสมาธิแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้ใจกระเพื่อมไม่ต้องการให้ใจหายจากความสงบ เราก็ต้องใช้ปัญญาคอยป้องกันตัวที่จะมาคอยทําลายความสงบของใจก็คือกามาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นดดรสผลธรรมะภาวะตันหาความอยากความอยากได้ลาบยศสารเสริญ ส, สุขละวิภาวะตันหาคือความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญ ส, สุขเสื่อมไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขทางร่างกาย เราต้องกำจัดมันอย่าไปทำตามความอยากอันนี้สอนใจว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ดีกว่าปลอดภัยไม่มีพิษไม่มีภัยตามมาไม่มีทุกข์ตามมาเหมือนกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญนี่คือหน้าที่ของปัญญาที่ต่างจากสมาธิ สมาธิมีหน้าที่ทําใจให้นิ่งให้สงบส่วนปัญญามีหน้าที่คอยกําจัดกิเลสตัณหาต่า ง, างๆที่จะโผล่ขึ้นมาเพราะว่าสมาธินี้ไม่ได้กําจัดกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดไปจะต้องใช้ปัญญาเป็นตัวคอยทําลายมันและจะทําลายมันได้ก็ต่อเมื่อมันโผล่ขึ้นมาถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทําลายมันได้ ผูปฏิบัติยังบางทีต้องไปหาเหตุให้มันโผล่ขึ้นมาเพราะเวลาจิตสงบอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมาสะเทือนใจความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเช่นความอยากไม่ให้ร่างกายเสื่อมความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็จะไม่มีความอยากเพราะมันไม่มีเหตุแต่ถ้าเราไป อยู่ในที่ที่ทำให้มันเกิดเหตุขึ้นมาเช่นนั่งกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเกิดความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหายไปพ อ, อมีความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็เลยต้องใช้ปัญญากำจัด ค, ดความอยากนั้นไม่ใช่ไปกไม่ไม่ใช่ป ไ, ไชปกำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นปัญหาร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา เราให้รักษากี่ครั้งกี่คราวก็ตามมันก็จะต้องกลับมาเจ็บไข้ได้ป่วยอีกอยู่นั่นแหละั้นไม่ใช่เป็นการไปแก้ที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไปแก้ที่ความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นตัวที่มาทำลายความสงบของใจทำให้ใจวุ่นวายไม่มีความสุขเราก็ต้องใช้ปัญญาว่า ความเจ็บของร่างกายเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าร่างกายมันยังอยู่ครับความเจ็บของมันได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราทำไมจะอยู่กับมันไม่ได้เราเป็นใจเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้รับรู้ความเจ็บของร่างกายเท่านั้นเราก็เพียงแต่รับรู้ไปร่างกายที่เจ็บมันกลับไม่เดือดร้อนแต่ใจที่ไม่ได้เจ็บทาไมกลับไปเดือดร้อน เพราะมีความหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจนั่นเองพอเราใช้ปัญญาแยกแยะว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟใจเป็นผู้รู้ผู้ที่มารับรู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็รับรู้ไปตามธรรมดาเหมือนกับหมอพยาบาลที่ดูแลคนไข้ก็รับรู้ว่าคนไข้ตอนนี้มีไข้มีความเจ็บ แต่หมอกับพยาบาลก็ไม่ต้องไปเจ็บไปกับคนไข้เจ็บไปก็ไม่ได้ไปทําให้คนไข้าหายแต่กลับทําให้หมอกับพยาบาลเจ็บไปเปล่าๆโดยใช่เหตุท่านใดใจก็ไม่เหมือนเป็นหมอเป็นพยาบาลร่างกายก็เป็นเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ดูแล ร, รักษาร่างกายไปตามสภาพมียาก็กินไปหายก็หาย ไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าไม่ไปอยากให้มันหายใจก็จะไม่ทุกข์ขึ้นมาใจก็จะอยู่ในความสงบอยู่อยู่กับความสุขไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี่คือการปฏิบัติถ้ายังไม่มีความเจ็บเราก็ต้องหาวิธีสร้างความเจ็บขึ้นมาเช่นนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนั่งไปนานๆ จนกว่าร่างกายมันจะเกิดอาการเจ็บขึ้นมาพอเจ็บแล้วเราก็มาคอยกำจัดไอตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับละกับใจตัวที่มาทำลายความสงบของใจไอตัวนั้นก็คือความอยากให้ความเจ็บหายไปอันนี้ก็เรื่องของการหน้าที่ของปัญญาปัญญามีหน้าที่ที่จะทำลายความอยากต่างๆให้มันหมดไป ถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาบางทีก็ต้องไปหาหาเหตุให้มันโผล่ขึ้นมาเช่นความอยากให้ความเจ็บหายไปความอยากไม่ให้ความเจ็บเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องใช้การนั่งไปนานๆจนกว่าร่างกายจะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแล้วมันก็จะมาทําลายความสงบถ้าเราอยากจะรักษาความสงบเราก็ต้องกําจัด ตัวความอยากให้ร่างกายหายเจ็บให้ร่างกายไม่เจ็บนี้หายไปให้ยอมรับกับความเจ็บของร่างกายเช่นเดียวกับความตายก็เหมือนกันความอยากไม่ตายมันก็มีอยู่ในใจของเราทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่โผล่ขึ้นมาเพราะเราอยู่ในที่ปลอดภัยเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเรามีปัญหากับความตาย แต่พอเราไปเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เป็นใกล้ตายท้าทายต่อความเป็นความตายใจของเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเพราะจะมีความอยากไม่ตายโผล่ขึ้นมาตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหยุดความอยากไม่ตายว่าอย่าไปหาความสุขจากทางร่างกายร่างกายนี้เราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันอยู่ไปได้ตลอดมันมีวันตายมันจะต้องตาย เมื่อถึงเวลามันจะตายไม่มีใครห้ามมันได้ถ้าไปอยากมันก็จะไปทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากปล่อยให้มันตายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบได้ต่อไปนี่คือหน้าที่ของปัญญาหน้าที่ของปัญญาก็คือคอยกําจัดความอยากทั้งสามคือการะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาเวลาที่มันเกิดขึ้นมาะ หรือเวลาถ้ามันยังไม่เกิดแล้วปัญญาพร้อมที่จะกำจัดก็ไปหาสถานการณ์หาเหตุการณ์ที่จะทำให้ความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญากำจัดมันพอกำจัดมันได้แล้วก็จะรู้ว่าต่อไปนี้ไม่มีปัญหากับมันแล้วเราสามารถปราบมันได้มันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สามารถหยุดมันได้ทันทีเหมือนคนที่เลิกสุราเลิกเดิม เลิกดื่มสุราเลิกสูบบุหรี่ได้พอเขารู้ว่าเขาเลิกดื่มสุราได้เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วเขาก็ไม่กลัวความอยากดื่มสุรา้ความอยากสูบบุหรี่ความอยากดื่มสุราเพราะว่าถึงแม้จะเกิดความอยากขึ้นมาเขาก็หยุดมันได้ไม่ทําตามความอยากได้ยันใดผู้ที่อยากที่หยุดความอยาก ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วเขาก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายถ้าเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาก็หยุดมันได้นี่คือเรื่องของการรักษาความสงบของใจที่ได้จากการทำสมาธิต้องรักษาด้วยปัญญาในเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมา ใช้ปัญญาหยุดความอยากเพราะถ้าไม่ใช้ปัญญาหยุดความอยากความอยากก็จะมาคอยทำลายความสงบแล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็จะพาให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าคอยใช้ปัญญาคอยทำลายความอยากหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว ความอยากมีมากน้อยทั้หลายนี้จะต้องสู้ปัญญาไม่ได้ปัญญานี้สามารถทำลายความอยากทุกรูปแบบที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ใช้ปัญญานี้ทำลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปแล้วพระอรหันตา์สาวตทั้งหลายก็ใช้ปัญญาทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วจนในใจนี้ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลย หลงเหนืออยู่แต่ความสงบความนิ่งของใจของความสุขที่เกิดจากความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็ยังสงบอยู่ขณะที่ร่างกายยังอยู่ก็สงบอยู่เพราะเป็นคนละคนละคนกันร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเพราะใจไม่มีความอยากที่จะไปได้อะไรจากร่างกายต่อไป ร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการหาความสุขทางใจจะได้พบกับความสุขทางใจที่ถาวรและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายนี้เกิดจากการหาความสุขทางร่างกายพอไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจาก ความแก่ของร่างกายก็ดีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็ดีจากความตายของร่างกายก็ดีสำหรับผู้ที่ยังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่จากผู้ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วใช้ใจเป็นเครื่องมือหาความสุขใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็จะไม่เดือดร้อนไม่ มีปัญหาอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือวิธีที่หาความสุขที่ถูกต้องคือต้องหาความสุขทางใจและการที่จะหาความสุขทางใจได้ก็ต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายตัวอย่างของพวกเราคือพระพุทธเจ้าแนละพระอนันตสาวกทั้งหลายท่านทิ้งความสุขทางร่างกายแล้วท่านก็ไปหาความสุขทางใจท่านละการคองเรือน แล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชไปบวชเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาหาความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่ถ้าเรายังรักความสุขทางร่างกายอยู่เราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่เพราะมันก็เหมือนกับหาความสุขสองสองรูปแบบพร้อมๆกันเหมือนกับหาน้ำร้อนกับหาน้ำเย็นมาใส่มาปนกันก็เลยไม่ได้ น้ำน้ำร้อนก็นไม่ได้น้ำเย็นก็นไม่ได้ได้แต่น้ําอุ่นไปอจะได้การหาความสุขก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขที่ถาวรหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์เราก็ต้องไปหาความสุขทางใจกันเราก็ต้องสละความสุขทางร่างกายไปเราต้องเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระอาหันตสาวก มาเป็นแบบฉบับเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นตัวอย่างนําพาเราไปสู่การหาความสุขทางใจเราถึงถือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกเป็นสลาณะเป็นที่พึ่งเป็นพุทธทางสลาณ์กัจฉามิเป็นสังขังสลาณ์กัจฉามิเราอาศัยคําสอนคําสั่งของพุทธเจ้าวิธีปฏิบัติหาความสุขทางใจเป็นสลาณะ เราก็มีพุทธทางสารนานกระาไม่เป็นที่พึ่งเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งในการหาความสุขทางใจท่านทาอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นเราถึงจะได้ผลอย่างที่ท่านได้ผลนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริงคือความสุขทางใจก็ขอให้ท่านจงนาเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ ความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอย่าทาวาไรวาาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกั ป, ปติ อิติตังปัิตังตุมภางคิปเปเมวาสนิจจุสัเพประเนตุสังกะปาจันททปนะระโสยธามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีตีคายุโกภวะ อาพิวาทานสิลิตสนิจังวุธาปจายโนจตารธุธรมมาวัทานติอายุวโนโสุขังภาลาัาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปนะัญหา ท่านใดต้องการถามปัญหาก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตไม่ตอบถามปัญหาต่อไปตอนนี้ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรถามปัญหาจากทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณทงชัยหลังจากที่ได้ฟังเทศพระอาจารย์ผมพยายามฝึกสติโดยระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพุโทโธทำมาได้สามสัปดาห์รู้สึกใจล่มเย็นเบาสบายดีแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองจะขาดสติคือลมหายใจพุโทโธหายช่วงใช้ความคิดอ่านหนังสือ กับช่วงที่ต้องคุยกับคนอื่นผมควรฝึกอย่างไรจึงจะไม่ขาดสติครับก็เวลาอ่านหนังสือให้มีสติอยู่กับอยู่กับการอ่านหนังสือไม่ต้องพูดโทไม่ต้องดูลมหายใจเวลาพูดคุยกับคนอื่นก็ให้มีสติอยู่กับการพูดคุยกันไปพอไม่มีการพูดคุยไม่มีการอ่านหนังสือก็กลับมาอยู่ที่พูดโธต่อคําถามจากคุณวิสิ์ ผมขอสอบถามวิธีการนั่งสมาธิขั้นแรกๆผมนั่งสมาธิหายใจเข้าออกพุโทโธพอผมนั่งสักพักทำไมหายใจเบาลงเบาลงแบบนี้เป็นอะไรครับผมทำถูกหรือเปล่าครับเรื่องของลมหายใจนี่มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราไม่ต้องไปสนใจเพียงแต่รับรู้ตามความเป็นจริงถ้าลมอ่อนอ่อ น, ออนลงไปอ่อนลงไปก็รู้ว่าลมก็อ่อนลงไปอ่อนลงไป ลมจะหยาบลมจะละเอียดก็ให้รู้ต่างความเป็นจริงจะหายใจสั้นหายใจยาวก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปกังวลเป็นเรื่องของร่างกายเราไม่ต้องการที่จะม า, าวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายเรื่องของลมเราเพียงแต่ต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราเฝ้าดู เรื่องของลมไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องของคนนั้นคนนี้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอเราไม่คิดใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นลมจะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแม้ลมหายไปไม่มีลมก็ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมลดาบใดที่มีความรู้อยู่นี้ไม่ตายไม่ต้องกลัวตายเป็นเรื่องปกติของการดูลมหายใจเข้าออก ร่างกายพ อ, พอใจจะสงบนั่งเบาลมหายใจมันก็จะเบาหายไปได้เหมือนกันก็ให้รู้ตามความเป็นจริงให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจก็ให้รู้ไปเท่านั้นเองแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปเกิดความวิตกเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาว่าไม่มีลมหายใจเดี๋ยวเราจะตายก็จะถอนจิตออกมาหาลมมาม า, มาหายใจใหม่ ก็เลยจะทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้วิธีที่ถูกต้องก็ให้รู้ไปเฉยๆมีลมก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีถ้าตามนายังมีรู้อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรคำถามจากคุณยูเวลี่เลิฟพวกที่เล่นบอนการพนันแล้วไปทำบุญและทำบุญแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างนี้จะได้บุญไหมคะเรื่องของบุญก็เรื่องของบุญเรื่องของบาปก็เรื่องของบาป ไม่ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันทำบาปก็ได้ผลบาปทำบุญก็ได้ผลบุญคำถามจากผู้ไว้ประสงค์ออกนามข้อหนึ่งการจเจริญปัญญาเราจะต้องมีสมาธิถึงขัง้นอปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรือไม่คะก็อย่างที่ได้เทศเมื่อกี้นี้ไปแล้วว่าต้องเป็นอปนาสมาธิอุปจารสมาธินี้ไม่ได้เป็นสมาธิที่จะใชในการ พิจารณาทางปัญญาได้เพราะขาดอุเบกขาขาดกําลังที่จะต่อสู้หยุดตันหาความอยากต่างๆข้อ 2. เคยนั่งสมาธิแล้วจิตรวมแล้วน้ําตาไหลบ่อยๆในอดีตแต่ปัจจุบันไม่เป็นมากนักเป็นเพราะอะไรคะและหากเกิดขึ้นอีกระหว่างนั่งจะทําอย่างไรต่อคะก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไปไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร แต่รู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ก็รับรู้ไปปล่อยวางมันไปข้อ3บางครั้งนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งๆอยู่กับคําบริกรรมแต่รับรู้ภายนอกเช่นเสียงกลิ่นรู้สึกคล้ายจิตลอยๆ อ, อยู่เฉยๆต้องทําอะไรต่อไปคะถ้าจิตอยู่เฉยๆไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ก็ให้อยู่อย่างนั้นไปนานๆ ต้องการให้ใจนิ่งใจเฉยเฉยกับสิ่งต่างๆเวลาสัมผัสรับรู้แล้วไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่สัมผัสรับรู้ข้อสครั้งล่าสุดนั่งสมาธิแล้วตัวโคลงด้านหน้าหลังข้างจนรู้สึกเวียนหัวอยากอาเจียนจนต้องลืมตาจึงจะหายอาการแบบนี้จะแก้อย่างไรคะก็ต้องใช้สติตอนนั้นแสดงว่าไม่มีสติปล่อยให้จิตแสดงอาการต่างๆออกมา ถ้ามีสติแล้วร่างกายจะไม่โครงร่างกายจะนิ่งจะไม่มีอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นจะมีแต่ความสงบเพียงอย่างเดียวคำถามทางนี้หมดแล้วตั้งแต่มีคำถามสดนี้รู้สึกคำคำถามแห้งมากค่อยๆจะหายไปมกันเลยครับอาจารย์ถ า, ามซ้ำ อ, อ่ขอก็ไม่เป็นไรลองถามมาอันนี้มีสดๆที่ที่นี่เลย ครับหลวงพ่อครับเอ่อผมปฏิบัติสมาธิแล้วครับพอลมหายไปแล้วครับพอลมหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้เหมือนเหมือนว่าเราอยู่บนที่สูงสูงนะครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นพออะไรฮะแล้วไม่ต้องไปทราบว่าวมันเป็นเพราอะไรให้เราดูว่ามันนด้งมันสงบมันวุ่นวายใจหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้ามันนิ่งมันเฉยมันสบายก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปครับมันมันมันเป็นความสบายแต่สักพักหนึ่งมันเหมือนว่าเราเหมือนคนตกจากที่สูงครับแล้วจิตจะสงบมันจะเป็นอาการอย่างนั้นคล้ายๆตกหลุมตกบอ่อตกเหวแล้วก็นิ่งแล้วก็เย็นสบายเฉยก็ให้อยู่อย่างนั้นไปนานๆนนถ้าคือให้เราประคองตรงตรงนั้นไวใช่ไหมครับใช่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ จนกว่ามันจะถอนออกมาถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ภาวนาต่อถ้าไม่ไม่อยากจะกลับลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็จะจะพุโทโธต่อก็ได้รือจะพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงอยากเพื่อจะได้แก้ความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาทีหลังก็ได้ คำถามจากคุณธนุธรรมนะครับการทําสมาธินั้นนั่งก่อนเดินหรือนั่งอย่างเดียวได้ไหมครับจะอยู่ในท่าไหนก็จะก่อนเดินหลังก็ไม่สําคัญการจะทําสมาธินี้ต้องอยู่ในท่านั่งถึงจะสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าอยู่ในท่าเดินมันจะไม่สงบอย่างเต็มที่เพราะว่าใจา ย, ยังต้องบังคับประคองต้องสั่งร่างกายให้เดินอยู่ใจ ย, ยังต้องทํางานอยู่ แต่ถ้าเวลาใจนั่งเฉยๆนี่ใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องไปควบคุมไปสั่งให้ร่างกายทําอะไรใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เฉะนั้นผู้ที่ต้องการนั่งสมาธิก็ต้องผู้ที่ต้องการความสงบต้องการให้ใจรวมให้ใจนิ่งนี้จะต้องนั่งสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่การจะให้จิตสงบนิ่งในขณะที่เดินหรือยืนนี่ต้องมีเหตุการณ์บังคับให้ใจเข้าไปเอง เช่นไปตกใจไปเห็นอะไรน่ากลัวหวาดเสียวทนแล้วมีสติดึงดึงใจไว้ให้ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจใจมันก็จะหุบเข้าไปเองอันนี้ต้องมีเหตุการณ์บังคับให้ใจเข้าไปข้างในเช่นเจอสิ่งที่น่ากลัวเจอเสือเจออะไรอย่างนี้ถ้ามีสติใจมันก็จะมันก็จะฮุบเข้าไปข้างในถ้าไม่มีสติมันก็จะตื่นตกใจวิ่งวิ่งหนี เพราะความกลัวโดยปกติแล้วการที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบนี้ต้องอยู่ในท่านั่งเพราะจะไดะ้เข้าสู่ความสงบได้เพราะใจปล่อยวางร่างกายได้เพราะขณะที่เดินนี้ปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วร่างกายเดี๋ยวมันก็ล้มไม่มีกครควบคุมเหมือนกับคนขับรถขณะรถที่วิ่งแล้วคนขับก็กระโดดลงออกจากรถนี้รถมันก็วิ่งไปตามเรื่องของมัน วิธีที่ปลอดภัยก็คือต้องจอดรถก่อนแล้วคนขับถึงก่อยออกจากรถไปอัในใดการทําใจให้สงบก็เช่นเดียวกันการที่จะทําทให้ใจสงบนี้ร่างกายต้องนิ่งก่อนร่างกายต้องนั่งอยู่เฉยๆหรือยืนอยู่เฉยๆก็ได้ถ้าถนัดในท่ายืนอยากจะยืนแล้วภาวนาก็ได้แต่มันจะเมื่อยมันจะไม่สบายเหมือนกับท่านั่งมันจะยืนไม่ได้นาน คำถามข้อต่อไปจากษคุณพอพีนะครับตอนนั่งสมาธิผมชอบบังคับลมหายใจให้เข้าออกตามพุทธโธครับเช่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับคือการดูลมนี้ไม่ควรจะไปบังคับลมควรจะบังคับพุทธโธให้เข้าไปกับลมเช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทถ้ามันขัดกัน ก็ไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้ใช้ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวก็ได้ลมจะหายใจเร็วหายใจช้าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะของมันอย่าไปบังคับเพราะการบังคับนี้ทาให้เป็นการแสดงว่าใจต้องทำงานเราไม่ต้องการให้ใจทำอะไรต้องการให้ใจรู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆนั้นวิธีที่นั่งสมาธิถูกต้องไม่ควรจะใช้พุทธกับโทถ้ามันมีปัญหา ใช้ดูลมอย่างเดียวหรือใช้พุโทโธอย่างเดียวได้แต่ถ้ามันจะมาใช้สองอย่างแล้วจะบังคับให้ลมมันเป็นไปตามจังหวะของพุโทโธนี่มันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะทําให้ใจต้องทํางานเมื่อใจต้องทํางานมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องไม่ให้ใจทํางานให้ใจเฝ้าดูเฉยๆให้ดูลมเฉยๆ ลมหายใจเข้าหายใจออกจะช้าจะเร็วเราจะใช้พุโทโธกำกับไปก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามจังหวะของลมแต่อย่าไปบังคับให้เหมือนเป็นไปตามจังหวะของพุโทโธคำถามข้อต่อไปจากคุณแอนนะครับมีวิธีแก้ความอิจฉาริษยาในใจได้อย่างไรบ้างเจ้าคะก็ต้องยอมรับว่าคนเราเกิดมานี้มีเด่นมีดังไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน มีบุญวาสนาบรารมีมาไม่เท่ากันก็ต้องยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงก็จะอดที่จะอิจฉาริษยาเขาไม่ได้เพราะเวลาที่เขามีดีกว่าเราเราก็จะอิจฉาเขาหรือจะให้เห็นโทษของความอิจฉาว่ามันทำให้ใจเราไม่สบายก็ได้วิธีที่จะแก้ความอิจฉาริษยาท่านก็สอนให้มีมุติตาจิตให้เราชื่นชมยินดีกับ ความดีของความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีก็ให้ดีใจไปกับเขาให้คิดเขาว่าเป็นเขาเป็นเหมือนเพื่อนเราเวลาเพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาเราก็จะไม่มีความอิจฉาหรือยหรือให้คิดว่าเนี่ยคนเราเกิดมาทําบุญมามากน้อยไม่เท่ากันผลของบุญที่ได้รับจึงไม่เท่ากัน คนทำบุญมามากก็มักจะได้ผลบุญมากกว่าคนที่ทําบุญมาน้อยกว่าถ้าอยากจะได้บุญมากอยากจะได้ผลบุญมากก็ต้องพยายามทําบุญมากๆในชาตินี้ในวันนี้เพื่อในอนาคตที่จะตามมาเราก็จะได้รับผลบุญที่เราทําในวันนี้คําถามข้อต่อไปจากคุณภาวนานะครับคําว่าอุเบขานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ ข ป, ปนาสมาธิเท่านั้นใช่ไหมคะก็จิตต้องสงบแล้วสงบแล้วก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาคำถามข้อต่อไปจากคุณพรวิทยานะครับขอคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนควรแนะนำเขาเช่นไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะรับอะไรได้หรือไม่มันมีหลายวิธีด้วยกัน วิธีง่ายๆก็คือให้เขาอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายบ่อยให้หมอเขาดูแลรักษาไปตามเรื่องเรามีหน้าที่ดูแลรักษาใจเราก็พยายามทาใจให้สงบจะให้สงบด้วยพุทธโธก็พุทธโธไปจะสงบด้วยการสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปจะสงบด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ฟังเทศฟังธรรมไป แล้วจะสงบด้วยปัญญาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ให้เราพิจารณาแยกใจออกจากร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจร่างกายนี้ไม่มีตัวรู้ไม่มีความรู้สึกอะไรร่างกายจะเจ็บจะตายร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บจะตายเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนใจที่ไปรู้ว่าร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายให้แยกใจออกจากร่างกายวิธีแยกก็คือก็ต้องทําใจให้สงบเวลาทําใจให้สงบใจก็จะปล่อยวางร่างกายถ้าร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนอย่างนั้นก็แล้วแต่ความสามารถของผู้ที่จ ะ, ะทําใจให้สงบว่าจะทําได้ในลักษณะไหนถ้าสวดมนัสใจสบายได้ก็วสวดมนต์ไป ถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไปถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วใจสงบก็ฟังเทศฟังธรรมไปถ้าใช้ปัญญาแยกกายออกจากใจได้ก็แยกไปอยู่เรื่อยๆสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราร่างกายมันจะเป็นอะไรเราก็ห้ามมันไม่ได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้เป็นได้ ชั้ร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเหมือนเป็นร่างกายของคนอื่นเราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปสั่งให้มันเป็นหรือไม่เป็นได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่มันเป็นอะไรมันก็ไม่มาทำให้เราทำทำให้เราตายหรือเป็นอะไรไปกับมันได้เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปอยากรับใจของเราจะสงบจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกาย คำถามข้อต่อไปจากคุณเจมส์นะครับขณะนั่งสมาธิแล้วเกิดความกลัวเราจะขจัดอย่างไรคะก็อย่าไปคิดถึงความกลัวสิ่งที่กลัวให้ใช้สติดึงใจกลับเข้ามาสู่ความสงบอย่าไปอยู่กับพุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปบางคนจะสวดอิติปิโสก็สวดไปเพราะบางทีเขา มีได้รับการสั่งสอนมาว่าเวลาไปอยู่ในที่กลัวก็ให้เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าเลึกถึงพระพุทธคุณสวดบทพระพุทธคุณไปถ้าสวดแล้วความกลัวยังไม่หายก็ให้สวดบทพระธรรมคุณไปถ้าสวดไม่หายก็ให้สวดบทสังฆคุณต่อไปแล้วเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความกลัวจะหายไปถ้ายังมีความกลัวอยู่ก็อย่าหยุดสวดอย่ายไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัว เพราะมันจะทำให้เรายิ่งกลัวมากขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปคำถามจากคุณชุติการนะครับเวลาฟังเทศบางครั้งสมองชอบคิดเรื่องอื่นด้วยแต่หูก็ยังฟังอยู่ยิ่งบังคับยิ่งดีดยิ่งดิ้นอยากจะคิดไปเรื่อยบางทีก็จะนึกถึงพุโทโธต้องพยายามบังคับมันให้ฟังอย่างไรดีคะ ก็พยายามตั้งใจฟังที่เสียงเสียงธรรมที่ที่กำลังแสดงอยู่ถ้าเรายังไปคิดเรื่องราวต่างๆก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิในการฟังเราก็ต้องไปฝึกสติให้มากขึ้นไปเจริญสติพุทโธพุทโธในเวลาที่เราไม่ได้ฟังธรรมพอเรามีสติแล้วพอเวลาเรามาฟังธรรมเราก็จะสามารถใช้เสียงธรรมนี้เป็นเป็นตัวให้เรา ควบกลุ่มบังคับใจของเราได้ก็ติดไปได้ก็ต้องพยายามฝึกสติถ้าไม่มีสติแล้วใจมันจะลอย้อบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะฟังทำหรือฟังคุยกับใครบางทีเขาพูดอะไรอยู่บางทีเราไม่รู้เรื่องเพราะเรามัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นแทนาการสื่อสารจึงไม่เข้าใจกันเวลาสั่ง ง, งานสั่งการก็ฟังไม่รู้เรื่อง เจ้านายสั่งให้ทำอย่างนู้นทางนี้แต่ใจมัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไปทำก็ไปตามตามความคิดของตวเองว่าเขาสั่งให้ทำอย่างนี้ก็เลยทำไม่ตรงกับที่เขาสั่งก็เกิดความเสียหายขึ้นมาดีไม่ดีก็อาจจะถูกว่ากล่าวตักเตือนหรือถูกฆ่าโทษให้ให้ออกจากงานไปได้นี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีสติใจลอยถึงต้องหัดเจริญสติอยู่บ่อย อยู่เรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยดึงใจอย่าให้ลอยพุโทโธนี่เหมือนสมอเรือถ้าเราทอดสมอเรือได้เรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำใจของเราก็เป็นเหมือนเรือที่จะไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆถ้าเราไม่มีสมอเรือสมอใจเราต้องทอดสมอใจก็คือพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็จะไม่สามารถลอยไปตามความคิดต่างๆได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณเอกนะครับเรานั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกว่าบ้านอาคารต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่และไม่มีใครมีเราคนเดียวเมื่อมองไปรอบๆมันมีแต่ความว่างเปล่าการแบบนี้มันคืออะไรครับก็ใจของเราไม่ได้ส่งออกไปหาสิ่งต่างๆไม่ไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งต่างๆ ใจสักแต่ว่ารู้เฉยๆก็เรียกว่าเป็นความสงบของใจคําถามข้อต่อไปจากคุณอรุณพร น, นะครับปกติกระผมมีความนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากแต่บางครั้งในใจจะผุดนึกสงสัยภูมิธรรมของครูบาอาจารย์อย่างนี้จะเป็นการปา마ศพระสงฆ์หรือเปล่าครับกลัวจะเป็นบาปและจะขวางกั้นการปฏิบัติธรรมให้ ใจไม่สงบกราบขอบพระคุณครับคือความคิดของเรานี้มันก็ยังไม่ได้มีผลเท่าไหร่ถ้าเราไปพูดมันถึงจะเรียกว่าปรามาสแต่ถ้าเราคิดสงสัยนี่มันก็เป็นเรื่องปกติของเราที่บางทีมีนิสัยที่ยังเครือบแขลงสงสัยอยู่ก็ถ้าเรายังสงสัยในองค์นั้นว่าไม่ไม่รู้ว่าไปถึงไหนเราก็ไม่ต้องไปศึกษากับท่านก็ได้ เราก็ไปศึกษากับองค์ที่เรามีความมั่นใจอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเรายัางสงสัยหรือเปล่าว่าตัดสรู้จริงหรือเปล่าถ้าสงสัยเราก็ไม่สามารถที่จะไปศึกษากับพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราไม่ถ้าเราสงสัยองค์อื่นแต่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าเราก็ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้หนังสือต่างๆที่จาวิ่งวัยในพระไตรปิฎกคําสอนต่างๆ เราก็สามารถศึกษาจากคำสอนเหล่านั้นได้คำถามจากคุณ OI จุดจาทุพรนะครับการนั่งสมาธิแล้วจิตรวมลงไปอยู่นิ่งๆสงบมีความสุขอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เกิดความรู้ใดๆและจะมีคําถามขึ้นในใจว่าแล้วยังไงต่อต้องทําอย่างไรต่อจึงจะสามารถขึ้นสู่วิปัสสนาได้คะ <S <S ก็รอจะออรอรออกจากสมาธิก่อน แล้วก็ไปใช้วิปัสสนาต่อคือศึกษาสิ่งต่างๆให้เห็นตามธรรมชาติตามความเป็นจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรกันแน่เขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาสุขหรือไม่เขาสุขหรือทุกข์เขามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเขาเป็นของเราหรือไม่ได้เป็นของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้เพราะการมีความรู้เหล่านี้จะทาให้เรากาจัดความหลงที่ทาให้เราไปยึดติดกับสิ่งต่างๆ เพราะเราจะไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราศึกษาด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาเราก็จะเห็นว่าคนต่างๆสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเขามีความทุกข์ให้กับเราด้วยเพราะเขาไม่แน่นอนเขาไม่ไม่เขาไม่เป็นเหมือนเดิมเสมอไปเขามีการเปลี่ยนไปอยากดีก็เป็นไม่ดีก็ได้ จากสวยก็กลายเป็นไม่สวยก็ได้จากจากการอยู่กับเราแล้วก็กลายเป็นจากการแยกจากเราไปจากเราไปก็ได้เพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆเขาไม่แน่นอนก็เรียกว่าอนิจจังไม่แน่นอนอนัตตก็คือไม่อยู่ภายใต้คำการควบคุมบังคับของเรา เวลาเขาจะเปลี่ยนเราก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้เขาอยู่เราก็จะทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราก็เกิดจากความอยากที่จะไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรารู้ความจริงนี้เราจะได้เปลี่ยนใจหมาว่าต่อไปนี้เราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราก็ต้องยอมรับความจริงของเขา ยอมรับว่าเขาต้องเปลี่ยนยอมรับว่าเขาสักวันหนึ่งต้องจากเราไปถ้าเรารับได้แล้วเวลาเขาเปลี่ยนเราก็จะไม่ทุกเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกนี่คือทางนี่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนาเป็นความรู้ที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความหลงไปอยากให้เขาเที่ยงไปอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดคำถามข้อต่อไปจากคุณสายชนนะครับต้องการดับความอยากอย่างถาวร ต้องทำอย่างไรครับก็เนี่ยต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นยาพิษถ้าเราเห็นว่ามันเป็นยาพิษเราก็จะไม่อยากแต่เรายังไปเห็นว่ามันเป็นขนมอยู่เราก็เลยอยากอยู่พอกินก็ไปถึงจะช็อกตายพอไปเจอพิษของคิดพิษของขนมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ข้างในของขนมนั้นพิษก็คือความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลง น, นั่นเอง เวลาพบกันใหม่ๆก็รักกันดีต่างคนต่างเอาอกเอาใจกันมีความสุขดีพอได้มาอยู่ร่วมกันไม่กี่วันเปรียกกันไปละต่างคนต่างเอาใจตัวเองความสุขที่ได้จากการเอาอกเอาใจกันก็หายไปเดียวแต่ความทุกข์เพราะต่างคนต่างเอาใจตัวเองนี่ก็คือมันอนิจจงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แต่เรามักจะมองไม่เห็นเวลาเราอยากจะได้ไขมาเป็น แฟนเป็นคู่ครองเราจะเห็นแต่ความดีของเขาอย่างเดียวไม่มองถึงว่าเขาเปลี่ยนได้สิ่งที่เขาดีอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้เขาเปลี่ยนได้หรือเขาจากเราไปก็ได้ทันทีทันใดอันนี้เราไม่คิดกันพอไปเจอเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นความทุกข์เราก็จะได้ไม่ต้องไปมีเขา จะอยู่คนเดียวนี่กว่าอยู่กับความว่างอยู่ความสงบคำถามจากคุณรัชนกนะครับทำไมเวลาเดินจงกรมรู้สึกใจนิ่งกว่าการนั่งสมาธิก็เพราะว่าเราถนัดทางเดินมั้งคำถามจากคุณกุ้งนะครับข้อที่หนึ่งการใส่บาตรควรใส่อะไรบ้างนอกจากอาหารแล้ว ควรมีน้ำขวดไหมคะเพราะเกงว่าจะหนักทำให้พระลำบากหรือควรมีดอกไม้ทูบเทียนไหมคะหรือควรถวายอะไรอีกคะถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพระพิสูสงฆ์ก็แล้วแต่ว่าพระท่านการมินระบาดนี้บางรูปท่านก็มีลูกศิษย์ไปช่วยถ้ามีลูกศิษย์ไปช่วยก็จากจะถวายอะไรก็ถวายได้แต่ถ้าท่านไม่มีลูกศิษย์ลูกหาท่านไปองเดียวก็ควรอย่าถวาย พวกข้าวกับอาหารเพราะว่าที่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ญาติท่านจะต้องบริโภคน้ําท่านก็หาได้เองที่กุฏิที่วัดก็มีอยู่ถ้าให้สักของขวดสองขวดท่านก็หิ้วไม่ไหวแนละ้วแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนนี่ก็ไม่จําเป็นดอกไม้ทูบเทียนนี่ให้ญาติโยมไปบูชาพระจะดีกว่าพระท่านก็บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอยู่แล้วนะ ไม่จำเป็นที่จะถวายถ้าท่านบิณดาบัดองเดียวเพราะท่านจะเป็นภาระกับท่านแล้วท่านจะไม่สามารถได้อาหารเท่าที่ควรเพราะจะต้องมีสิ่งอย่างอื่นเข้าไปเต็มบาทพอท่านรับมากๆก็หาว่าท่านโลภมากอีกอะไรยัย้นต้องดูบางบางวัดเขามีลูกศิษย์ลูกหาอย่างที่เราบิณดาบาัดนี่มีลูกศิษย์ลูกหามาคอยถ่ายถ่ายเอาใส่รถใส่รถ ใครจะใส่อะไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ใส่ได้บางคนถวายนะ้ำเป็นสิบแพ็ตก็มีแต่ก็มีลูกศิษเขาก็ขนขึ้นรถใส่รถไปอย่างนี้ถวายเท่าไหร่ก็ถวายได้ต้องดูเหตุการณ์ดูการละเทศะดูความเหมาะสมข้อที่สองการถวายเงินแด่พระสงฆ์เป็นการเหมาะสมไหมคะเพราะเคยมีคนบอกว่าไม่เหมาะสมและผิดพระวินยัย เกินเงินทองนี้พระพุทธเจ้าห้ามไม่พระรับกับมือถ้าจะให้ต้องให้ฝากลูกศิษย์ไว้เพื่อเพื่อที่เวลาต้องการจะซื้อของจําเป็นจะได้สั่งให้ลูกศิษย์ไปจัดการหามาได้แต่ไม่ให้พร ะ, ะพกเงินติดตัวไปแล้วก็ไปซื้อข้าวซื้อของด้วยตนเองแต่การถวายเงินให้กับพระถวายได้เพียงแต่ว่าไม่ให้ถวายกับท่านโดยตรงให้ฝากกับลูกศิษย์ไว้อีกทีหนึ่ง คำถามจากคุณมาลานะครับเคยนั่งสมาธิจ น, จนจิตละเอียดเบาตัวหายลมหายเหลือรู้อย่างเดียวเมื่อถอนออกมาก็พิจารณาเส้นผมสักเอิดใจการพิจารณาเปลี่ยนเป็นการพิจารณาที่หมุนเร็วมากจิตไปจับอยู่ที่หลังคาบ้านแล้วรื้อหลังคาลงมาหลังคาผุพังกลายเป็นดินจิตกลับมาที่ศีรษะรื้อผมทั้งศีรษะลงมากองกับพื้นดิน แล้วผมกลายเป็นดินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิปัสนาใช่หรือเปล่าค ะ, ะถ้าเราพิจารณานังกายว่าในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นดินกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปก็เรียกว่าวิปัสนาจากคุณคนปั่นไฟนะครับคนที่ไม่เคยฝึกนั่งสมาธิมาก่อนอยากฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นต้องทำอย่างไรบ้างครับก็ต้องฝึกสติก่อนต้องพุโทโธพุโทโธ ดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วพอเวลานั่งสมาธิก็จะทำให้ใจสงบได้นั่งสมาธิก็พุทธโธต่อไปถ้าเราใช้พุทธโธนี่ก็ใช้ได้ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็พุทธโธไปยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดในการทำงานเราก็หยุดพุทธโธไว้ชั่วคราวในเวลาเราต้องคุยกับใครเราก็หยุดพุทธโธไว้ชั่วคราว พอเวลาที่เราไม่ต้องพูดคยุยไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานเราก็พุโทโธต่ออย่าปล่อยให้คิดเพอ้อฝันอย่าให้คิดเพอ้อเจอ้ออย่าให้คิดไปวิาพากษ์วิจารณ์คนนั่นคนนี้วิาพากษ์เรื่องราวต่างๆโดยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าปล่อยให้ใจคิดอย่างนั้นให้ใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วใจจะเย็นใจจะสบายและเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าไม่มีสติไม่มีพุโทโธนี้พอนั่งมันก็จะคิดเพ่อเจอ้อเพ้อเพ้อฝันไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันสงบคำถามจากคุณสีลองนะครับบทสวดพระทาณนะปลิตต้องสวดหลังนั่งสมาธิหรือก่อนนั่งสมาธิครับการสวรมดมนนี้ก็เป็นการทำสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งเราสามารถสวดตอนไหนก็ได้บางคนนี้นั่งสมาธิอย่างนั่งไม่ได้ พอนั่งเราจะรู้สึกอึดอัดให้พุโทโธแล้วดูลมหายใจแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดแต่เวลาให้สวดมนนี่กลับรู้สึกสบายก็ใช้การสวดมนไปก่อนสวดไปจนรู้สึกว่าใจเย็นสบายแล้วก็ลองนั่งดับตาดูลมหายใจหรือพุทโธต่อไปก็อาจจะนั่งต่อไปได้ยาวคำถามหมดแล้วครับพระอาจารย์ก็ดีเวลาก็พอสมควร มีใครอยากจะถามอีกไหมในที่นี้ถ้าไม่มีเราก็จะได้ยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ด้านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธอ